รัไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่เก้าสุตตันตาปิฎกโซนทันทสูตรสูตรว่าด้วยพรามชื่อโซนทันทะพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปในแคว้นอังคะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มู่ใหญ่สเสด็จแวะพักณกรุงจำปาประทับที่ริมฝั่งสะน้ำชื่อคัคคราครั้งนั้นปรามชื่อโสนทันทะ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 โสนทันทพรามซึ่งเข้านอนกลางวันชั้นบนปราสาสตมองเห็นพรามข์ครืหาบดีชาวกรุงจำปาเดินทางไปเป็นกลุ่มๆเช่นนั้นจึงเรียกมหาอมาต์สนองโอดมาถามทราบความแล้วจึงสั่งให้คนเหล่านั้นคอยเพื่อตนจะได้ร่วมเดินทางไปด้วยพวกพรามชาวต่างแดนประมาณ500้อคนที่มาพักในกรุงจำปาด้วยกรณียกิจบางอย่าง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 ซึ่งทำให้โสนะทันทพรามดีใจมากคือตรัสถามว่าผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติกี่อย่างจึงบัญญัติว่าเป็นพรามได้และควรเรียกตัวเองได้ว่าเป็นพรามโสนะทันทพรามตอบว่าหนึ่งมีชาติดีคือเกิดจากมันดาบิดาเป็นพรามสืบสายมาเจ็ดชั่วบรรพบุรุษ 2. ท่องจำมนในพระเวทได้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 เมื่อพระผู้มีพระภาคแสดงธรรมจบโสณทันทพรามกราบทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนไตรเป็นสารณะตลอดชีวิตแล้วอาราธนาพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ฉันในวันรุ่งขึ้นครั้นรุ่งขึ้นถาวายพัตต า, าเสเ็จแล้วจึงกราบทูลว่าถ้าตนอยู่ในบริษัท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 อันเข้ากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาคจึงประทานสาธุรับรองภาสิตของพราหมนั้นศาสตราจารย์ริสเดวิสเห็นว่าแม้ทางพระพุทธศาสนาจะเสนอหลักการแบบนี้ก็ทาการเลิกล้มความคิดเห็นของพรามณ์ไม่สำเร็จพราหมณ์ยังคงถือชาติเป็นสำคัญตลอดมาแต่ผู้เขียนเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแทรกแซงความเชื่อถือของพราหมณ์